เทาทุกเย็นที่ฮาเว้ากันหลายมือว่าให้ฟังหพื่เดียวนั้นบ่เข้าใจว่าให้ฟังหลายมือเข้าใจทีละนิดทีละน้อยสมมุติถห้ฟังเหมือนกับเขานำี่ไปทอกใส่ดินสายด้วยดินแห้งมันเก็บปรอยู่ทั้ง ยังนานมาน้ํากับดินกับสายมันแทกซืนเข้ากันแต่อยู่ได้น้ํากับดินกับสายก็อยู่ด้ายกันได้อันน้องให้ฟังนี่ก็คือการเป็นอย่างว่าหลักการี่มีรู้จำรู้จักรู้แจ้งจรงงู้เจงยังมือเฮาซิบ่รู้จักเสียเลยคําว่าส ม, มุดนี่เจ้าก้อนตัวผมเองนก็นบอเคยรู้จักว่าส ม, มุดนี่บ่เคยรู้จัก เรียกกันว่านายกนายขพระกพระขเรียกไห้เรียกงานเรียกโมเรียกส่นวนไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นสมุดไม่ว่ามันเป็นของจังซันอยู่กันแต่ความจริงมันถูกสมมุติขึ้นมาสมมุติจริงนะมีมากโมสามารถที่จะ ย, ยกมาพูดให้มันครบมันจบมันทวนได้สมมุติเนี่ยสมมุติว่าดีสมมุติว่าตัว สมมุติว่าสวยว่ารวยเอ๊ะสมมุติข้างนั้นควรกินแล้วมันเป็ี่ยนอยู่ทางซันอันนี้ประวัติโลกมันเป็นอยู่ทางซียังที่เนรพระแม่ดำแม่ขาวเนี่ยสมมุติเฮ็ดออกแลก้วะซิบสมมติกิจริงโดยสมมุติแม่ขาวก็มาจากแม่ดำก็มาบวชบวนแล้วก็ศึกไปบางคนในปีหนึ่งสองปี เดือนนั่งฟองเดือนเก้าปีสิบปีบางคนกขาบวสิก็มีสมมุเดเท็จไปพระเนรก็คือกันสมมุตดบวชมาได้ปีหนึ่งสองปีห้าเดือนหกเดือนเก้าปีสิบปีบางคนบวชสึกจะเทอกะนีก็สมมุเดเท็จไปกันเพื่อจิตศึกษาหาของจริงนั่นแหละเรื่องนี้นสมมุดพระพุทธลูกนี่ทีแรกก็ต้องเป็น่หนไม้พาไปฟันเขา้าได้เท็จมาแล้ว แล้วครับว่าเป็นพระพุทธรูปสมมุติว่าเป็นโลหะเป็นแก้วเป็นทองมัน่มนก็เป็นท่อนอิดท่อนทองอยู่ท่นน่ะมันนี้ไปสร้างไว้ตามป่าตามโูตามดงมันก็สมมุติเฮ็ดแปลงท่นนะเฮ็ดสมมุติก็เป็นของจริงจริงโดยสมมุติเฮ็ดก็ได้บ่เฮ็ดก็ได้บ่ผิดบ่เนียนนี่ยังบ่ผิดบ่เมียนนี่พ่อคนเขาสแสวงหาที่พึ่ง คนเราคันเมื่อมีที่พึ่งแล้วพึงกะว่าบดต้องไปดิ้นลนหาที่พึ่งที่อื่นมันที่พึ่งนี้ว่ากันง่ายๆกันว่าหุดพ้นบลุดค้นจากสิ่งที่สงสัยมันก็เอื้อฝุ่นหลุดพ้นในหลุดพ้อย่างสูบพคลอย่างต่้มหุคคลนอย่างกลางเหมืนนี้เป็นอย่างวาไว้อีกตึงรวมเป็นพระนั่น เป็นพระโดยสมมุตกามีเป็นพระโดยเป็นปร ม, ม, มนนทกามีอควรวมดุพคน์กามีอยู่สี่อย่างปัญญาก็มีอยู่สี่ระดับด้ยวยกันคือรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาได้ยินมาจากพ่อจากแม่ครูบาอาจารย์สอนให้มาหรือเอามาจเจริญสติหรือมาศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง ก็จีว่ามันหลายอย่างอันนี้ก็ถูกสมมุติมาแท้กัเป็นจริงคำว่าควมหลุดพ้นนี่ก็คือการหลุดพ้นไปขั้นต่ำขั้นสูงหรือขั้นกลางก็จิว่ามันสมมติว่าขึ้นมาแท้กัจริงโดยสมมุติเพื่อจะมาสมมุติบัญญัติและปรมัตบัญญัติอัตขบัญญัติและอริยาบัญญัติการสมมุติบัญญัตินั้นสมมุติเห็นด้วยตาเนี่ ตาเนยเห็นจับถูกด้วยมือมองเห็นด้วยตาเป็นเอื้อนสมมติบัญญตัติปรามาัตตบรรัญญัติเนี่ยปรามาัตตกระทุกสมมุติและปรามัตตอันหนึ่งกำลังมีกำลังเป็นอยู่ด้วยมือจับตาเห็นนี่กะอันนี้ก็เอื้นปรามาัตตแต่เป็นปรามัตตสมมุติปรามัตตจริงๆอีกตึ้นเธอหนึ่งได้บไหมมันยื่นสายสนเขาที่มองโดยเห็นด้วยตาจับบุถูกด้วย Weil มือเพราะมันไม่เป็นวัตถุที่จะเห็นด้วยตามันเห็นด้วยสติปัญญาเป็นเอิ้อนญยาด คําว่าญาณ น, นี่ก็ไปว่าคือญาณ น, นี่มันหลายอย่างญาณแปลว่ารู้หรือญาณแปลว่ารู้ญาณแปลว่าพ า, า, า, า, าหานะผนส่งพระหนักฟางเวาลายอันสมัยหนึ่งเขียนหนังสือไว้ป่าพุทธญาณมีแต่พระผู้ที่รู้ทั้งนั้นข้าเจ้าเอาตัวยอผู้หญิงไปขลันไปสะกดไลยตัวยอยักนางคนนางคนก็เอาตัวยอผู้หญิงใส่สละอายอผู้ยิงญาณกันนี่กันนั่ แล้วถ้าเขาจะเอานอนเนรไปเฮ็ดเขาเจ้าก็เทียงกันเอากันไปกันมากันเลยเอาเถอะอย่าซุไปเทียงกับเรื่องสมมุติว่าผมลาให้เอามอเนนไปสะกดเอาไว้คือตัวยอ่อยยากเลยย่ยอยยากนี่นะกษัตรอิอาเพราะคนเขียนเป็นได้หมดไนะผมบุ้ผู้จากว่าย ผ, ผู้หญิงเอานอนูไปสะกดก็เป็นญาณนกันเป็นป่าพุทธญาณญาณอันนั้นเขาเจะว่าญาณคนส่งว่าตังค์ไงว่าบนไม่ญาณปัญญา คนส่งก่อสร้างอันนักตาเมันแล้วแ ล, แล้วจะไปเถียงกันโดยที่มัมีประโยชน์นี่แหละคนเรียกว่าตาบอดขันตามันเรื่องสมมุติกันยังอันผู้เขียนหนังสือนั้นก็เพื่อที่จะให้เราลู่ของจริงคนนี้ทำาตหนหสือมันจึงหลายอย่างสมมุติว่าอันนี้ให้เ่าวข่าสมมติบัญญัติตาเห็นอตาเห็นจับทุกข์ด้วยมือกำลังมีกำลังเป็นยุคก็เห็นด้วยตาเนี่ย อันนี้ก็เป็นสมต gefallen, สมติเสื้อๆนี่สมมติจะแพ้เนาะปารมัตบันี้ปรมัต์กับหมายถึงที่เขาจับบุทุกด้วยมือมองบริหิริตาคือลมหายใจเขานี้กับความคิดเขานี้มองบริหนในตาจับบุธุด้วยมืแค่การหูจักอันนี้เพื่อเอิญูกเป็นปารมัต์บันี้อัถะบันี้เขาเรีว่าลมนี่มองบริหนริตาคำว่าลึกแล้วเนี่ยพออน้อยคนหูจักลมหายใจเขานีนอันนี้ก็อีกตุ้นนี่ก็เนี่ มองผูเห็นหน้าตาของจิงแต่กับคนอื่นมองเห็นได้อยู่แต่จับบุถุด้เหมือนของจิงแต่ว่าสามารถที่จะรู้โตความคิดมันคิดเพอีกตึนนึ่งได้ไหมโตควคิดมนองผูเห็นหน้าตาจับบตธุได้เหมือนี่กัเพื่อนอัตถาสัญยัดอันั้นตนี้มันคิดมีคิดตัวอีกตนได้บะเนี่ยหัวหัจักอีกุึนหน่งหัวจักแต่มันคิดบางคนมันคิดไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเนี่ยมันคิดหัวคิดอันนั้นมเป็นหอกจากอัคิดหู้แล้วมันคิดไปนั่นนะ บางคนเป็นโรคประสาทเป็นบางคนก็เลยคิดแล้วก็เศร้าอยากให้มันหยุดอยากให้มันเศร้ามันไม่หยุดไม่เศร้าก็นแ น, น่นอกแ น, น่งใจมึนหุนมันอยากให้มันเศร้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์อนนั้นก็คือว่าบูมจักบูมหจักปรามาบูมหจักในอัธถบูมหจักปรามามันเป็นอย่างไรอยู่เของบูมหจักดนั้นนํามาเล่าตู้ฟังนี่ก็เพื่อว่าทําของเข้าใจกัน คำว่าปรมาจิตแปลว่าขอมีจริงสมมุติให้ฝังอิปนันไม็เข้าเข้าเปลือกเขาขันเอาไปทิ่มใสีดินขันมันโดงซุ่มมันเย็นมันงอกมันแตกขึ้นมาเป็นหนอก้าขึ้นมาเป็นหนอ่อเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาใหม่เอาเขาเรีบไปว่านใส่บนเนี่ยไปว่านไต่ทุดงซุ่มที่เย็นโบ อ, กออกห น, อ, นอกโบออกแทนว่านไต่นันนานออกับโบออกอันนู่เคามาฟังนี่ก็คือกันฟังนะต้องฟังเพื่อจดจำเนี่ พิจารณาจริงๆจดจาพิจารณาจริงๆมันแตกขึ้นมาคือไม่เข้ามันตื้อมันแตกคนที่มีปัญญาฟังน้อยเดียบเข้าใจหรอคนที่มีปัญญานั่งฟังหลายมือขึ้นมาคนที่ปัญญาอ่อนๆแต่ก็อาศัหลายๆมืองพอไม่ เ, เข้าตื้อไปวางไปจมันจะเหมือนงานที่แตกเพราะไม่เข้าเหตุเห็นเหตารณ์ด้วยตาแต่ก็สมมติว่าให้ฟังเพื่อจีบเา้าควคิดคนได้หนีเวลานี่น อันนี้เป็นว่าเอื้นยานยานนี่มันเพื่อว่าเกิดขึ้นแล้วมันจะไหลไปไหลไปไหลไปไหลไปหรือว่าไหลก็ได้หรือ่ามันจะขึ้นไปก็ไดหรือว่าจีวะเส้นไหนก็ได้มันมันจะไปตามเก้าตามเก้าของมันคล้ายๆคือเขายขงงาง น, นี่นะเก้าหนึ่งสองเก้าแต่คันว่าเก้านี่เราบุ้งหุ่นจักนับเึ็นร้อยเก้าพันเก้าหมื่นเก้าแสนเก้าเป็นกรบอกเนี่นคำเก้าของในทาง ปัญัญญัติอริยบัญญัติเมักล่าวตัวนี้ทีกกล่าวคระภาโสดาบันพระโสดาบันบุคคลขณะในอ้อหู่กับเอิญภาคโสดาบันแม่ข่าวหู่กับเอินพระโสดาบันญาติโยมหู่กับเอินภาคโสดาบันพระเนนหู่กับเอิญภาคโสดาบันแต่มาเปรี้ยงคุณว่าอีกตึ้มละบันเนี้ยถ้าหากเป็นฆราวาสญาติโยมหู่นั่นเอิญภาคโสดาบันบุคคลเนี่เป็นบันเรื่อันพระเนนหู้ การหูอันเดียวกันในระิับเอินพระอริยสงฆ์กว่าอีกตึ้งนั่นเป็นอะไรมันมันสมมุติว่าแล้วก็รหูได้คือกันทุกคนอันนี้เพื่อเอิ้นเป็นปรมัตแล้วก็เอิ้นอัตถะบัญญัติแล้วก็เอินอริยบัญญัติอีกตึ้งแต่ทุกสมมุติคือกันอีกตึ้นแต่หากว่าไม่สมมุติสมมุติว่าจะตุ้แต่ความจริงมันมีอยู่ในคนอันนี้เป็นว่าเอินญาณปัญญาปัญญามีสก้อนปัญญามีไสรสติพิจารณาแล้วบบบนี้ ยานนะั้นมันจะคอ ย, ยขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอนหัญญาณมันไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไหลไปไหลไปสู่คำว้าไหลไปนี่หมาถึงว่าจิวาจแนงนี่มันกระบอกมีความจิวาคือว่าเอาเอาเบึงน้ำมันไหลไปไหลไปสู่ทะเลคุณเืก็้มันมีน้ำห้วยเล็กห้วยน้อยก็ถามสั่งๆมื่อี่ไหลไปสู่น้ําโขงถันไหลไปสู่น้ำโขงมันจิตไหลลงไปทะเลคุณมันก็ไปบรรจุทะเลเมื่อ อันนี้ก็คือกันคันผู้ใดมีญาณปัญญาปัญญามีแล้วญาณเกิดขึ้น อ, อันปัญญาหาเงินหาทองโบแมนเน้อย่าเข้าใจปัญญาเห็นหนังสือมากๆพูดเก้งเก้งกับโบแมนปัญญาหาเงินหาทองได้ลอยล้านผันล้านมูลล้านแต่นั้นก็เบื้องปัญญาอันนี้ปัญญาอันนี้มันอีกเรื่อง <c oughs> ปัญญาอันนี้มันค่อยไหลไปไปสู่ทะเลทะเลยื้อใสเปียบสมมุติมันจะค่อยไหลไปสู่นิพานคำว่านิพานกระทุกสมมุติว่าอีกตรื่อ ทุกสมมติไว้ยอยู่ตัว น, นก้าวเป็นค่อยไหลไปไหลไ ป, ไลไปเป็นก้าวเป็นก้าวเป็นก้าวไปอันนี้เป็นเพียงสมมุติไว้ฟังแต่ก็เป็นของจริงดังนั้นนิพพานนในจิตเป็นสมบัติของมนุษย์คนธรรมดานี้อาจจะรู้ก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้มนุษย์นี่เขาจะเอาบอร์ใดเป็นเครื่องวัดจะเอาการเรียนหนังสือหรือบทนานๆเป็นเครื่องวัดกระเบนอีกตัว เรียนหนังสือ น, นักทำตีทำโทรทำเอกจนเป็นปรเรียนเก้ากระบวนกเครื่องวัดอันนี้เรือนฝหา้โลกตั้งแต่ปอนึ่งที่เราไปจนปริยายเอกกระบวนกาเครื่องวัดอันนี้เครื่องวัดอันนี้มัอนอิทธิ์เป็นเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นเครื่องหากินเป็นเครื่องไม้เครื่องมือธรมะหากินของบุคคลสลาดตามโลกที่ว่าสมมุติที่ซื้อโลกโลกนี้ทุกสมมุติขึ้นมาแต่ก็เหมือนกับ คุณสมมุติไปเมืองกับบอกบัวท่านห้าคนนามบานแล้วบุมีกินต้มบุมีกิ่นเหม็นเป็นว่าคนถ้าผู้รู้แล้วไปจะยุ่กับสมมติอันนี้ยุ่กับโลกอันิษฐานเขาจะบูติดอันนี้เป็นวายสมมุติว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสมมุติเอาอันนี้ก็ได้ก็คนธรรมดาคนนี้แหละเปสมมติผู้หันขึ้นมากำนันเนี่ยครเป็นสมมุติผู้หันขึ้นมาผู้โรงเรียนตำรวจทหารไปสมมุติเอาขึ้นมาสมมุติเอาตัวบุคคลขึ้นมาเฉย อันนี้ก็ให้ทจัตวาส ม, มุดแต่เขาอยู่กับส ม, มตุตดยังโลหะเรียนละหนึ่งบาทเรียนละห้าบาทมันก็เป็นโลหะคื่อกานก็ไปส ม, มุติมันขึ้นมากระดาษใบละห้าบาทใบละจุดบาทใบละยี่สิบบาทใบละร้อยบาทใบละห้ารอยบาทหรือใบละพันก็ไปส ม, มุติมันขึ้นมาเป็นกระดาษซื้ อ, อเออยังที่ทองคำเนี่ก็ไปส ม, มตุติมันส ม, มุติด้วยโูหานของคน ไม่สมมุติทั้งนั้นแต่ว่าสมมุติก็จริงจริงโดยสมมติให้เัาหัวจักสมมติจริงจริงห้าห้าหัวหัวจักสมมติจริงจริงความคิดมันติดอยู่สมมติอันนี้ผีเทวดาสมมุติทั้งนั้นแต่ก็มีจริงจริงโดยสมมติเหมือนว่าเนี่ยเนว่านรกสวันค์คือกันสมมุติมาว่าทั้งนั้นแต่จริงโดยสมมุติแต่ก็จริงเหมือนว่ากันจนถึงนิพพานนิพพานก็มีจริงแต่จริงโดยสมมติคือมาว่าเนี่ยมันเป็นอะไรสมมุติมาให้ฟังง่าย ที่มู่เพิ่นฟังผมมาอยู่เดี๋ยวนี้นี่ลักษณะนี้มีในคนมีเมื่อทุกคนบนวลกผู้หญิงผู้ชายพระเนมคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษอคนอเมริกาฝรั่งฝรั่งได้มีหลายฝรั่งท่านไปคนกับบุคคลจักคนบอลซูฟังในไม่อะไรฝรั่งเศสฝรั่งอเมริกาฝ ร, ร, รั่งอังกฤษฝรั่งเยอรมันก็เอิญฝรั่งทั้งหมดนะครับสมมติว่าเอาซื้อ คนไทยคนจีนคนลาวคนคามนก็ส ม, มุติล่ า, าสืส่อๆยังมันถูกสมมุติแต่ก็จริงโดยส ม, มุดแต่ควรจริงอันหลักสนะจิตใจอันเสยๆ อ, อ, อย่างที่มู่เพิ่นสั่งผมว่าอยู่เดี๋ยวนี้นมันมีมีมั้ยทุกคนเอาสมมุตดไปออกมีว่าใจจิตใจเสยๆได้มีบอมีครับมีเพื่ออะไรบ่มีเดี๋ย ว, บบยวนี้นี่ถึงว่ามึมีทุกคนบ่ันจิตใจเ ส, เสเยๆ ม, มีทุกคนเนี่ย อันหลักต้นนี้นี่เขาบอได้สนใจอันนี้พันวะเอื้นเป็นปรมัดบัญญัติและเป็นอัฐะบัญญัติและเป็นอริยบัญญัติมันก็มียอยู่างสี่กิลู่มันก็มีอย่างสี่กิบลู่มันก็มีอย่างสี่พันวัดลักษณะนี้พันวะมันมีในคนมันมีก้อนพระพุทธเจ้าอีสระด้วยทีนะพระพุทธเจ้าเป็นคนมีสติปัญญามาค้นพบอันนี้เถอะเอื้อนโอ้อลักษณะอันนี้มันมีมาก้อนแต่เราบทันเกิดตรงไหนเนี่ เพราะว่ามันมีคนแล้วมันเริมีเนี้ยลักษณะอันนี้ว่าท่นนี่กิริว่าอ้ื่ไม่เบาอยู่ในนี้กันเนี่โอ้ลักษณะมันบ่ทุกข์บ่สุขนี่คนเอินมันเหงื่อทุกข์เหือสุขเหือดีเหือซัวบ่เม่นบ้าบ่เม่นบุญบ่เม่นบ้าบ่เบุญบ่ม่นทุกข์บ่ม่นสุขพมาว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่คองหาได้ง่ายแก้บุคคลพุทธศาดรหรือมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงคนผู้ที่บุลาดหาบ่ได้ บัณ น, นี้เมื่อโบราณเราก็หาหาซื้อบินได้บัณฑิตคนเขาไปทอดกระถิ่นที่นั่นไปทําบางสกุลที่นี่ไปสร้างอันนั้นไปเพื่อที่ให้ได้อันนี้นี่แหละเพื่อที่ให้ได้อันนี้แต่ไปซื้อบริบบิ้นที่เปนของภายนอกเพื่อจะมาอันทําภายนอกตัวนั้นก็นดียุบบุได้ห้ามแต่ว่ามันบดถูกหมือกับขุดน้ำบ่อบดถูกสายขุดจนตายกับบ่ออกนา้ามันบดถูกสายมันเลือกออกกันน้อยที่สุดเพราะยังเปียบไว้ สมมติให้ฟังอีกเติม น, นี่จะบอกก็ได้เมื่อ น, น้ําแข็งเป็นกอ้อนใหญ่ๆน้ําแข็งบนแม่นม้ำจะแท้ได้น้ําแข็งเอาวิทยาศาสตร์จําพวกเขเ้าหหินเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปไปเอาน้ําธรรมดาเท่านี้แหละมาเข้ามาจะก้อนยังไงไปตากแดดตากลมเมื่อแดดทึกลมพัดเข้ามาน้ําแข็งก็ละลายเป็นน้าเหมือนเดิมนี่ อันเราไปทําบุญทําทานที่นั่นที่นี้นั่งดีใจอยู่แต่ความดีใจนั้นบปเดืก็หายไปเลดอันนี้ก็เลยสมมุติให้หวังให้ฝังว่ามือสีขาวมือสีดําคนไปติดมือสีขาวเพื่อเอ้นอุปทานมันหลุดพน้นจากนี้ไปบ่ได้อันนี้ก็ให้มือจาวะโคมหลุดพ้นให้หลุดพน้นไปจากสิ่งเหล่านี้ถ้าห่างเราบุหลุดพน้นไปจากสิ่งนั้นแล้วไปติดนจลงว่ามันนี่สมมุติให้ฝังไปเถอะเราเร า, ามีเหงืน เขาไปทำบุญเตอเ๋อเขาเงินนะได้ทำแล้วก็ดี อ, อกดีใจสบายใจบัด น, นี้มีผู้ใดคูนึ่งมาไหว้เขาอีกตื่นเกิดบริโภคใ จ, จ, ใจคคาา เ, เ, เกิดดีใจมีเขาเจ้มายกมายองก็ดีใจมีคนใดคนนึงมาตําหนิเขาเกิดก็ดีใจขึ้นมาเนี่ย อ, อันปกติอันความดีใจนั้นหายไปแล้วไปในอังควงปกติอันนั้นมีอยู่ก็มีอยู่แต่ห้องเราเห็นเรสามารถอธิษฐานนี้นี่เป็นว่าอันนี้เป็นเอื้อนอัตถะบัญญัติและอริยบัญญัติ แต่ปละม า, บ า, าดบัญญัตกัมีอยู่นี้คคนอัฏฐะบัญญบติยากบุคคลริโนอัฏฐะเพื่อจึงเอินมลึกหรือมักแปดมักแปดได้ต้องการว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพื่สสาาาอาาเอิญมักแปดผูกอยู่อันนี้ก็มักแปดอีกอย่างหนึ่งเมื่นับเป็นครูได้สีครูนับเป็นบุตได้8ปบุอันนี้ก็เป็นมักแปดคือก พระโสดามักเนี่ยพระโสดาผลพระสกิทาคารีมักพระสักิทาคามีผลพระอะนาคารีมักพระอะนาคามีผลพระอรหันต์มักผ้าอรหันตต่ผลกับปีแปดเดียวกันแล้วเขาบุ้งหจักเลยฟังแม่ว่าผมุพลเนี่ยพระโซดามักทำไมมีผลอีกตึกับผลของผ้าโสดาเนี่ยมันี้พระโสดามักผ้าโสดาผลเนี่ยบอกว่าผ้าโสดามักทั้งสองเธอว่า นี่เขาจะบอกมาเลยว่าคุณพ้นจริงอยู่ที่ระดับเราต้องเข้าใจผู้มีปัญญาฟังแล้วพิจารณาจริงๆแล้วกับบตัวเองจริงๆอย่าไปเบิ้ผู้อื่นมากเกินไปและอย่าไปคอยจับคําพูดของคนอื่นมากเกินไปคอยจับความคิดตัวเองปันมาให้เบิ้ลที่ตรงนี้ดังนั้นคนหลุดพ้นจยูมีเสี่ระดับหลุดพ้นอันใดได้เนธรรมดาปุถุชนคนธรรมดานี่ว่ากันยังไงเนี่ยหลุดพ้นจากการ เรียก็าอาบา ย, ยมุกว่าสังกัดใดคือเส้นสิ่งเสพติดกินเหล้าเมาสุราเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนโวยอ น, นั้นตพึนกัเว่าการยึดตามตัวหนังสือนั่นอันนี้นกระลุกคนธรรมดาผู้มีปัญญายักมีเงินหลายอยันนั้นแตต้องหมดเว้จากสิ่งเหล่านั้นถ้าเหาบวงดเว้นจากสิ่งเหล่านั้นก็ได้เหมือนก็ไปใช้ไปจ่ายไปเสียกับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอีกตึมแล้วมันบเว้จากสิ่งมือไหว้ผีไหว้ส้างดูลึกดูยามเนี่ยบุตรพจนจากซีโมนีเขาก็จะบูได้ไหว้ผี ไม่ได้ดูรูกดูงามไปอีกขึ้ก็ลุปพ้นไปมุนกันลุปพ้นกันแต่ความจริงผมว่าเม่นหลุปพ้นส่วนรูปแกกจําเป็นเอานี้ไปเปรียบเทียบให้ฟังซือคำว่าความรุปพ้่นนะลุปพ้นจากอันรอขึ้นรูปพุ่นจากโทสักรูปพุนจากโมหะรูปพ้นจากโลภะอันนี้ความรุปพ้นอันนี้แต่ว่าพูกทําลายไปผ้าโซดานี่ต้องทําลายอันนี้จะเป็นเรืองผ้าโซดามะผ้าโซดาพุนพ้นของผ้าโซดาต้องทําลายอันนี้ ถ้าหากว่าทำลายอนนเนริกาและไผยซีว่าแม่กับตำสร้างกับเจ้าแต่สำหรับตัวผมเองบัววานามูแต่ว่าอยู่แต่ว่าใจผมมองเห็นสภาพเส้นนี้ว่าเออขวามเป็นพระมันอยู่ที่ตรงนี้นี่คนไทยก็รู้ได้คนจีนก็นรู้ได้คนฝรั่งเศสก็รู้ได้คนฝรั่งอเมริกาให้ว่าเป็นคนนี้นะเป็นมนุษย์ก็รู้ได้หมดทุกคนถือศาสนาใดนุ่งผ้าสีอันใดกระต่างรู้ได้หมดทุกคน คนลู่อันนี้เราทำนาเป็นบทเป็นเป็นครูโรงเรียนไปสอนหนังสือเขาได้บทได้เป็นตำรวจทหารได้บทได้เป็นผู้ยาบ้างกำนันได้บทได้เป็นรัฐมนตรีได้บทได้ได้หมดเพราะว่าคนพวกนี้หยุดอยู่ด้วยสติดูด้วยปัญญาการทำอันไดจีนได้บทบทได้ผงผางปัญหาว่าจะไปบทได้เอาดำตามผลรลอนอกลอนใจของตัวเอง เพราะว่ามันมามองอยู่ตั้งแต่ภายในของจิตใจตัวเองเป็นคนวัยรุมโตนี่เป็นเครื่องวัดของผมเป็นมนุษย์ถ <c oughs> ่กไหมการศึกษานั้นจบปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกกระโดดเครื่องวัดอันนี้งานศึกษาทางธรรมะตั้งแต่นักธรรมตรีจบปเปลี่ยนเข้าประโยชน์กระโดดเครื่องวัดอันนี้เครื่องวัดอันนี้มันพลานอย่างที่เครื่องวัดของความเป็นมนุษย์ประวัติยุก ห <c oughs> ยุดความคิด <c oughs> ที่สับสนวุ่นวายความคิดที่มันสับสนวุ่นวายเขาคิดหลายเป็นโลกปาศาสตร์นอนโมลับหยุดอ น, นันได้หยุดความคิดที่สับสนวุ่นวายกายวา่าใจหใยุดได้กายมันอยากวิ่งแต่ก็หยุดได้วาใจมันอยากเว้าวลองเนี่ยใจมันอยากคิดแต่ก็หยุดได้บ่างหยุดความคิดอั น, นเป็นเครื่องวัดของคนเป็นมนรรษุษย์ พุทธะัดเป็นเครื่องวัดของควมเป็นพระอดียบุคคลใดเป็นอ่างไรหยุดความคิดที่สับสนวุ่นวายกายวายจาใจเผาเอิญว่ออารักษากายวายจาใจให้ได้เสื่อมเสียเพิ่งว่เมื่อบุตรอันนี้ได้ก็เป็นคนบุตรุษตัวถ้าหากเป็นคนบุตรุษตัวอยู่ได้ถ้าเป็นคนตรุนตัวแล้วอยู่บุรได้มีผู้ใดพูดเรื่งมาว่าปุ๊บมันเข้ามาองหูพี่มันส่งไปใจปุ๊บใจโย่ใสเดินโดยเห็น อันนี้แหละที่ว่าความโอ้อวมโลภควมหลงมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้คนหากมีความโอ้อดคมโลภควมหลงอยู่กับบดผิดกันกับสัตว์แต่หน้าตาผิดกันยุกทำไม่ผิดกันยุ่งหากเอิ้นมาคนเนี่หน้าตาแต้นสัตว์ก็มีหน้ามีตาเหมือนกันลักษณะของมันแต่นสัตว์นั่นจิตใจมันต่ํามันไม่สามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไปใส่ได้พลัง เ, เอิอเอเอ้นสัตว์เดีล่ะสามสัตว์มนุษย์มีพลัง เป Wright, ็นผู ín, like ine, um, okay. ้ยึดระดับจิตใจแล้วเขาเว่าวเป็นแบบนี้แล้วเขาเคยเห็นพระออกเคยโกตรเป็นบ่เป็ครับโคตรเป็นนะไม่ออกเคยโคตรเป็นบ่เป็นอยู่วะนี่แล้วแบบนี้โตัวสัตว์มังคนเคยโกตรเป็นนี่บ่เนื้อผ้าเนี่ยเขาเคยโกตรเป็นบ่เป็นนี่แล้วมันยสายเดี๋ยวไม่โกตรเป็นบ่เห็นบ่ผมโคตรย่ดสอยู่ดสายโคตรบนรู้พระออกให้มันโกตรขึ้นมาบงดูปเดี๋ยวนี้เนี่ ถ้าเราไม่ยืนในพระอกกะเฮยต้ายกคนก็บ้อ่โคตรบางรู้ว่าสันบอ้นาโกตรขึ้นมาูนี่แหละเป็นว่าถ้าเนทางด็มันยืดเสร็เป็นบ่เห็นเนี่ของโคตรเอ็นบอกเบื่เห็นมันยืดใส่หบุญรู้จักแด้ายืนามยยกก็ยุ่นดมเอาก็เอมันมาโคตรเป็นระบแบบนี้เอามาโคตรบู้มาโกตรบุญรู้มันมาอันนี้เป็นมาคนบุโตควคิดที่มันเกิด ก็คือมาวูบเดียวคือเขาลืมตัวเท่านั้นเท่านยังสอนให้เขาจําเอาไว้อย่าลืมตัวท่นแล้วดันนีคนว่าอยู่ย่าลืมตัวเนี่ยเพราะว่าเป็นคนมีตัวมีตนไปว่าจะต้องเป็นเล้ศผูกนักธรรมะเนี่ย ม, มีตัวมีตนในแน่หันเนี่ยตรงนี้มันสมมุตหนึ่งว่าท่านงว่าให้คำว่าเบื้อที่ตรงนี้ควรเป็นมนุษย์เครื่องวัดของคนเป็นมนุษย์ควรมุ่งพ้อนอย่างสูงคืคอดุพขมคิดที่ มันสับสนวุ่นวายให้กายวาจาใจเนี่ยดิ้นหลน่นหุดอันนี้ได้พอที่หยุดอันนี้ได้เสดงเป็นคนบ่มักลรืมตัวเป็นคนบ่ลืมตัวให้ว่าได้อันนี้เป็นสมบัติของมนุษย์อย่างสู ง, งเป็นว่าการทําบุญทําทานก็คือกันการรักษาจริงก็คือกันเมื่องการทำกรรมฐานกั็คือกันแม้เทศสุดเรียกว่าจเจริญนี่เป็นาไก็ไม่ใช่มาลืมตัวอีก เมื่อมารวมจุดนี้แหละผลเอื้อนมาผลดุพนดุพนจากอยัางดุดพนไปจากพวกสิ่งทุอย่างดังนั้นก็อนจิรู้อันนี้ enfin den, to to อาศัยอันใดถึนอาศัยญาณอาศัยปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วญาณเกิดขึ้นบนบนมีปัญญาที่ไปหาเงินหาถองบนปัญญาอันนั้นเนี่เมื่อปัญญาไปเรียนหนังสือด้ปัญญาตัวนี้ปัญญาศรัทธาปัญญาเกิดมาโดยศรัทธาศรัทธาอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นเป็กิเลสบุเป็นแต่กบุตเป็น คันเมื่อถึงที่สุดเลยบทเป็นในขณะเมื่อมันอยากรู้อยากเห็นอย่างกับเป็นกิเลสตัวกลางตัวกิเลสเครื่องหมักดองอิเลใสันดานแต่กิเลสดี่กิเลสดำก็มีกิเลสขาวก็มีบังทีว่ามือสีขาวกับมือสีดำนะบ้านนี้คุณทําบุญเนี่ยเอมือสีขาวมันนี้คุณทำชั่วเอ้นมือสีดำเมืนบ้านนี้กาลังเขาอยากรู้อยากเห็นกับเป็นกิเลสเหมือนเมื่อเขารู้แล้วแต่บทเป็นกิเลสแล้วโอ้ มันมีกฎหมายมาหาอันนี้นี่เด่นมือจักทุกคนเมื่อห้าเขาย่าบุ้งมจักเดียวนี้ทันดูเดี๋ยวนี้วัฒนปิดเดี๋ยวนี้คนคิดเนี่ยมันปรุงอยู่ตั้งร้อยอันพันย่างตั้งหมื่นล้านแสนล้านเท่าใดก็บุ้จักคนจีว่าแล้วมือนึงคิดเขาบุ้เคยรู้บุ้งเคยเห็นมาบัดนี้เขาที่ตายได้แบบเนี้ยคนคิดแตมันจิตสั้นลงจิตสั้นลงสั้นลงยั่งว่าเขามาหัดกันเบิ่งเดี๋ยวนี้มีเต็มหนังคนยังบุ้งจับเอาคนจีวันนี้มาเว้าอย่างไร มันไปสอนก็บเรื่องทำบุญขันมาซสอนอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งบอกอยากสอนกันเรื่องนี้อันนี้หลว่าเป็ น, นยอดของบุญหรือเป็นแกนแท้ของบุญเป็นใจกลางของบุญเป็นตัวศาสนาเป็นตัวพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนาหรือว่าที่จุกเรียนในผานอย่างที่จิตใจเขามีดูสซืืออันนี้อันนี้พุเปียบไว้คือเหมือนหนึ่งเดรกรถเมื่อสมาะเกาะเรือไว้หรือว่าลุกตุ้มต้นสิ่งที่เกาะไว้ รถวิ่งขันมันวิ่งเร็วๆ เ, เ, เ, เข้าไปมาจีนลงคูลงคลองลงถนนมึงก็ อ, อาศั ย, บยเบรกันไว้เมือวิ่งขันเครื่องตายในน้ำในแก้งบ้านข่มมันมีน้ําโขงเอาสมอลงทิ่งมาเกาะนันกาะ น, น, นี่ไว้มันจีบไปหาแก้งเหมืนกันวักก น, นนี้ตาซ่างตาสิงเขาเนี่ยขันมันหนักขึ้มันลุกต้นสิงมันแรงนี่รถมั น, มนเนี่ยวเลียดไปอันนี้เขาเป็นสมกอกาะเลยคนเนี่ถ้าหาบ่ญมีจิตอันนี้ตายเร็ว สัตตายเร็ถ้ามันโกยตลอดมือ12ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืน20ตี20 ส, สกตายโหลดถ้ามันโลอยู่20ตี2ก็ตายโหลดถ้ามันลงยู้อถึง20 20ตี20ก็ตายโหลดตายไปแห้สัต ก, กระตายคนก็ตายรลเพื่อว่าพจ น, น์เอื้อนะมีพานนี่แหละมีพางก็จะมีหลายอย่างนีพานตรงนี้อยู่ในคนแต่สัตก็กมีตัวสัตว์ไม่มีคนสามารถที่มาใส้ได้เพราะเยอะมีพานสินลองมีพานตัวขาว มีพานมั่นคงมีพานพรมมีพานอันใดเพื่นว่ากันโอ้โหไม่ต้องมาตั้งมายที่สุดเรื่องลูกพานกับบ่สามารถที่จะมาเมาใดเพื่อนจบมุดเพื่อนหาเมเบิ้งจิตเบิ้งใจเฮานี่ซื้อดีเด็ดไ่แหละคนเฮาบ่เคยรู้อันนี้นเท่า น, นั้นเตื้อนไวอีกตึ่นเหมือนคนบ่มาลอยพันสาวถ้าหากบ่เห็นสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับอันนี้กัน คุณค่าของการบวชเพรานั้นผู้บวชมาลอยพันศาบุญประโยชน์ระดัทั้งหมดเลยการบวชของพวกปิณมันบุคคลที่มาบวชมือเดียวนี่นะอาจารนรู้เห็นเข้าใจสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับอันนี้ดีกลัวมีประโยชน์ว ก, กับบุคคลผู้ที่บวชมาลอยพันศาบวี้เยอะเดียวมั้ยบัด น, นี้บุคคลผู้เกิดมาลอยตีถ้าหากมีอายุไปอยู่ลอยตีได้บัดนี้บมีสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับอันนี้นั้น ชีวิตของพวกม่มีประโยชน์ดูมีราคาดูมีคา่าชีวิตเป็นมันงเลบุคคลผู้ที่เกิดมาเมื่อเดียวนี่บะเนี่ยเมื่อเดียวนี่มันเพศหญิงกไ็ได้คนออกู่เห็นเข้าใจภาวะอาการเกิดดับอันนี้แล้วดกลัวมีประโยชน์ทัวรชีวิตของพกุกเกิดมาร้อยตีเป็นหมดไ อ, อ้นลี้ยงคนเกิดมาเมื่อเดียวนี่ขี้กับบอนเดี่ยวกับบอนขี้ใส่แขมใส่ขาไม่ออกคอเคยเลี้ยงลูกบ่ขี้ใส่ขาไม่ออกก็มีนี่บ่ เนี่ยใช้ขากับมือกันบ่เนี่ยแลม้มาจีรพจน์ยังเป็นยนังไอันเขามานี่แหละมาฟังผมว่าอยู่เดียวดีนี่แหละจรงว่าเมื่อเดียวดีแหละฟังแล้วเข้าใจโรู้ว่าให้เสียดส飒บ่ลูกก็ต้องยอมเสียดสละให้พล่อ้แม่ให้อาภายัยให้ปล่ยแม่เป็นว่าแล้วพ่อแม่ก็เสียดสล飒ให้ลูกให้หลานอาภายัยแล้วเขาเสีย飒บ่ได้สมมุติว่าแม่ว่าให้ลูกเนี่มึงจะไปเหตุอันนั้นได้ไไปเฮตุรู้เนี่ยบ่ได้เสียสละบ่ได้คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่ เพิ่งยังลาไปอีกซึมเนี่ยบุคคลหาได้ยากอุปภักลีบุคคลพูดอุปภักรามก้อนเพิ่งว่ากัตตาเวทีเพิ่งว่าขันรู้แล้วกับบตอบแทนเพิ่งนะกัตตาอยู่กัตตาเวทีเพิ่งว่าอันนี้ก็คือกันเพิ่งว่าให้รู้จักหน้าที่บุงคุครองครูบาอาจารย์หรือไคๆก็ตามให้รู้จักจริงๆถ้าหาก่รู้จักจริงๆแล้วมันเสียอย่างนั้นที่หมานี้ ก็เลยมาเล่ า, เาให้ฟังเรื่องสมุติบัญญัติและประมัดบัญญัติและอัฐบัญญตัติควรให้ดู้จากจริงๆและเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องนรกก็คือกันที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยนิมนตั้งใจฟังการฟังแล้วก็จดจำนำไปปฏิบัติ เพื่อให้มันเป็นอย่างสั้นให้มันเข้าใจอย่างคาพูดหรือคําเวา้ามันไม่จําเอาแล้วเอาไปเริ่ไปสอนผู้อื่นอันหนึ่งบุแมนเราไม่ได้สอนให้จําเอาไปสอนผู้อื่ น, อ น, น, น, น, น, น ส, อ น, อ, ส, อ, น อ, นสอนให้เราจําแล้วเอาไปปฏิบัติตัวเราให้มันเป็นอย่างสั้นมันยังเข้าใจทำมาคนลาไว้อันหนึง่งนํามาเล่าสู่ฟังคนว่า พระพุทธไม่ใช่ทองคำทองคำธรรมากาเป็นพระพุทรูปกับโบมพระธรรมโมเมนตัวหนังซื้อมเมนตู้กัมทีโมเมนต์ไรล้านพระสง์โมเมนต์พเหลืองโมเมนลูกสาวบ้านโมเมนตอย่างทั้งเขาที่เอาบนใดใดเอาบอนประพฤติดีปฏิบัติซอบคือปฏิบัติออกจากขุก คนเป็ น, นวาเมื่อพูดถึงการปฏิบัตินั้นทําอย่างไดได้เหอย่างไดบ่แม่ฮะกินมาเฮ็ดมาทําซื้อๆบ่แม่วิธีที่ทํามาเบื้องแรกดีได้มันบกเกิดปัญญาเสรนให้ทานก็เป็นการปฏิบัติเป็นวิธีปฏิบัติด้วกันรักษาศีลก็เป็นการ ปฏิบัติเป็นวิธีปฏิบัติเหมือนกันนั่งสมาธิหลับตาภาวนาพุโทโธบ้างสัมมา阿ะหังบ้างหองยุบบ้างอานาปานสตติบ้างเหล่านี้เป็นวิธีปฏิบัติทั้งนั้นแล้วแต่จริตนิสัยของคนบุคคลสำหรับยินนำมาเล่าสู้ฝังมือนีตัวผมเองเคยทำมา วิธีที่เรามานี่นับหนึ่งสองสามนี่ถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกถูกนับตั้งแต่สิบลงมาถึงหนึ่งนับเป็นหนึงไปถึงยี่สิบนับตั้งแต่ยี่สิบลงมาถึงหนึ่งวิธีโมนี้เคสหมาามืดต่ได้ความสงบความสงบแบบนันแบบสงบบูสุษตัวนั่งไปนั่งมาแล้วกันดูลมหายใจ หลงหลงลมหายใจมันหลงมันก็เลยเลยสงบคำว่าหลงนี่คันว่าตามภาษาธรรมมาเปืเอ้อนโมหะแล้วแปลว่าไม่รู้จริงแล้วหลงแปลว่าบรู้จริงนช่ไหมบันนี้ผมได้มีความรู้คมเข้าใจที่นํามาเล่าสู่ฟังวิธีที่ผมนํามาปฏิบัตินั้นนั่งดิีตรงๆ ร, รื่นนั่งก็ได้ ยืนก็นได้เดินก็นได้นอนทํนนนนาก็ได้อันนี้บทสําคัญนั่งเหยียดแขงเหยียดขาก็ได้นั่งห้อยเท้าก็ได้นั่งขดธรรมาะก็ได้นั่งพระเพียบก็ได้นั่งยังไดได้เมื่อมันไปถูกเอากับตาราที่เพิร์ลวาไว้ให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่คือยืนเดินนั่ง น, นอนให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ และเพืยังบ่พอเผ่าันให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย่อยคูเยียดเคลื่อนไหวคำว่าคูเยียดเคลื่อนไหวนี่มันมากไม่ที่ไหวโดยวิธีใดวิธีนึงก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เมื่อผูนน้เชนีกับอย่างบุเข้าใจคนเ ข, าเข้าใจบุคือกันก็เลยคิดตามครูบาอาจารย์สอนเอาไว้มานั่ง นั่งดีๆเดี๋ยอามือคว่ำลงเทิกมือช้าๆให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้คว่ำมือลงช้าๆให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้การเคลื่อนไหวอันนี้บาเลี้ยกมือไปเอามือมาให้มีสติกำหนดรู้กำมือเหยียดมืออันนี้เป็นจังหวะใหญ่ๆให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้อันนี้ซึ่งทีละเอียดคนท่านได้บันเนียน พิตาบแบบละเอียด ก, ก่อนจังหวะที่กามือเยียดมือยกมือไปเอามือมาละเอียดเข้าไปอย่างสิมีสติเข้าประกันุดรูเลือดไส้แล่ขัวมีสติกำหนดรูอันนี้อันนี้ก็ยังหยาบอยู่ตอนี้หายใจเข้าหายใจออกละเอียดเข้าไปของพิตานี่มันเลือดไส้แล่ขัวนี่ลมหายใจละเอียด ก, ก่อน ลมหายใจเข้าทีแรกเขาต้องทังลมแห่งแหงเนี่ยหายใจออกแห่งแหงหายใจเข้าแห่งแหงอันนี้ก็ตอว่ามันยาบอันนี้เขาพยายามดูลมหายใจมันเคลื่อนไหวดูไปมันก็นยังยาบอยู่ตอนนี้ที่ละเอียดกว่านั้นคือความคิดเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆเจ้บัวให้นั่งหลับตาเนี่ยพันหลับตาแล้วมันเป็นมายามันหลอกลวงตัวความคิดนี่มันหลอกลวง มันไวที่สุดควมคิดแตมันด๊าเขาแ๊าดออกมันคิดแบบ่ เ, แบบออดดเห็นอันนี้บ่มีผู้อื่นจี้รู้ที่เห็นนํนเาเฮาเขาคิดไปใส่มาใส่บ่มีภัยจี้หูจี่เห็นนํนเาเฮามันก็เลยไปตรงเอาหลักธรรมมาคุณว่าสันที่ติโคอันผู้รู้จะพึงเห็นเองะตัวข้าโตพระวตาธรรมโมรอแต่ต้นมันพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้ า, าตรัสไว้ไดีแล้ว สันทิสิโกอันผู้รู้จะฟึงเห็นเพลงหากการฤทโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุกใดสมัยใดก็ต่างๆจะเป็นมื้อสวยมื้อค่ามือคืนเ ว, เวลาโบกกาหนดใดอันนี้แปลว่ามันคิดอยู่เสมออั น, นก็เลยมาลูกผมคิดอันนี้โอ้คผมคิดนี่มันกับเป็นทุกคำว่าทุกขังอ น, นิจจังอ น, นัตตานะเขาต้องเห็นยำยากมาสักก่อน เหตุยำย่าคือพลิกมือคว่ำขึ้นมือลงเออพลิกมือคว้านพลิกมือคว่ำพลิกออคว่ำมือลงพลิกมือขึ้นยกมือไปเอามือมาเหล่านี่แหละเป็นทุกข์ตัวนี้รียบุตรเป็นทุกข์อันนี้แหละอย่างพระพุทธบุตรทองคำพระธรรมโบรเม่นใบลานถ้าเหลือโบรเมนลูกสาบ้านบัดนี้พระพุทธทารูปเนี่ยไปบังพระพุทธพระธรรมตัวหนังสือเนี่ยไปบัง ไปบางคําสอนของพระเจ้าเนี่ยอันผ้าเหลืองนี่ก็คือกันอันผ้าเหลืองนี่ไปบงังพระสงฆ์เาก็เลยบ่ชเห็นมันบังกันไว้พระสงฆ์พระพุทธพระธรรมยุไซ ส, สันเขบาบวได้เห็นเพราะว่ามันซึมไมเป็นบังเลยนะครับเป็นติดมุนีอันไปเห็นตัวทุกขงังตัวอนิจจังตัวเนื้อตานี่เนี่ยมันยับยั้งันเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็เข้าใจเลยประเดีวยวเข้าใจแต่จะเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจจริงๆ ใครซีมาว่ามาเที่อย่างการทาสร้างข้าเจ้าบ่ได้ไป่ยึบไปถือคําพูดของคนเหล่านั้นมาลู่อยู่เฉพาะตัวเองเมื่อมาลู่ตัวเองได้มันก็แก้ปัญหาตัวเองได้แก้ทุกตัวเองได้เห็นทุกอันนี้ทิศตา ก, ก็เป็นทุกรร ม, ม, มันเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นธรรมชาติของมันนี่คือเขาบุกจักทุกเรื่องเนี่คือเขาก็เลยว่าหายใจกับสบายอยู่กันซีแล้วเคลื่อนไหวไปมากับสบา ย, ยมาเขาเลยบุยได้เข้าใจเรื่องทุกันนี้ เขาเลยไปเอาทุกข์และเป็นทุกขหายใจเขา้าหายใจออกอะเป็นทุกข์เข้าใจอันนี้ทุกข์นั้นจึงมีอยู่สี่สันเนื่งกรรมมือเย็นมือเป็นทุกข์ฟองทิศตาเป็นทุกข์สามหายใจเป็นทุกข์สี่ตัวคิดเป็นทุกข์ใช่ว่าความรู้นั้นจึงมีอยู่สี่ระดับสีวานิชการตัดติรู้ก็มีสี่ระดับความรุ้พ้นก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน อันที่เว้าให้ฟังอันนี้บอกบอได้ไปอาศัยจําจากคำผู้นั้นคําผู้นี้เว้าบอกว่ไปจํารู้เองเห็นเองเข้าใจเองตามแนวพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เขาก็เรียกว่าสาวกสาวกพุทธเดินไปตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าย่างไปตามหลังเพื่นก็นได้เลือกเพื่นสอนไว้แล้วหอบปฏิบัติตามแบบของเพื่อนอาจทำก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยบอก โบคิดว่านรกอยู่ใต้ดินสวัสด์อยู่บนฟ้าก็เลยโบคิดเพราะมันเห็นกที่เห็นอันนี้มันต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างที่ว่ามาแล้ว <c oughs> อืมย่างที่ว่าให้ฟังนี่คือว่าอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติปฏิบัติเรื่องอื่นนั้นโบเกิดปัญญาโบรู้โบเห็นโบเข้าใจเรื่องนี้บันนี้ปัญญามาแล้วบันนี้ปัญญามาแล้วมันญ่างมันเกิดขึ้นแล้วปัญญาเป็นตัวศรัทธาตัวศรัทธาตัวนี้ ศรัทธาอยากรูอยากเห็นเมื่อศรัทธาอยากเล่าเอามากลายศรัทธาทำมาศรัทธานตัวของผมผมก็ได้คิดว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากรู้ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอันดจริงพระพุทสอนเรื่องอันดจริงาอยากรู้อันนี้อยากเข้าใจอันนี้บาปคือยังบุญคือยังอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอันนี้อยากรู้จริงๆเพราะว่าได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีล โอ้ยได้เหตุมาทุกอย่างเนี่ยมันบกเข้าใจบุญกับ น, นึกว่ามันยูดสื่อื่นคุณบาปกับ น, นึกว่ามันยูดสื่ออื่นคุณเป็ น, ป น, นยังว่านํามาเล่าสู่ฟังเมื่อนี้บอให้เสือ่อให้ปฏิบัติเอาเองบาปหนักที่สุดในโลกคือตัวบุรุคุณคิดนี่แหละตัวมันคิดออกไปแวบเขาบ่เ ห, เห็นเขาบุรุษอันนี้แหละตัวคิดนั้นเป็นต้นจิตใจมันคิด จิตใจเป็นบาปบอสันโบเม่จิตใจเป็นตัวทุกข์กับโบเม่อันว่าทุกข์กับบาปกับมืดมันเป็นคำเดียวกันกับอันโบลูเนี่ยกับโง่นี่เป็นอันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นสั้นเป็นให้คลายๆลคือหอบพามาทบว่าเป็นสั้นเป็นสั้นไปมันหลายสั้นหลายลืดดูมาวบากันสันสังเือบาปคือตัวบรูผนคิด มันคิดขึ้นมาแวบเดียวเขาบูหู้เขาบูเห็นเขาบูเข้าใจอันบูหู้อันบูเห็นอันบูเข้าใจแต่มันเป็นบาปแล้วเป็นบาปที่ตนทำไมจึงว่าบาปมันดีใจมันเสียใจนี่มันคิดขึ้นมาแล้วเขาบูเห็นบูหู้บัดนี้มันคิดว่าปุ๊บเห็นปั๊บคือแมวจับหนูหรือคือนักมวยขึ้นในเวทีคือลูกบอลอยู่ในสนามหญ้าไผลูกเข้าไปกระเตนลอดลูกบอลตกทิ้งเดือดทันอ่ะคนคิดอันนี้ก็เหมือนกันมันต้องมุ้ ตัวมายืนบนสังคมคิดนี่มันเหมือนกับน้ํามันนี่จะมาอาใส่ความคิดคิดปุ๊บรูปปั๊บคล้ายๆคือสองคนนอนเคียงกันนะที่นี้ผู้นึงพลิกคิงผุ้นึกระลูผู้นึงพิกคิงผุ้นึกระลูทุกคนที่พิกคีงตะกระลูรูอยู่เกันมีนักมวยเขาจะไปเป็นแสมเปี้ยนเสียบเทียบไปว่าคันผู้ใดไวที่สุดกระซกพอดีพิกคิงกระซกลุมตาโลดมันใส่ตามันไปก่อนแต่เรได้เป็นนักมวยอันนี้ผมมาได้เป็นนักมวย นะเธอจะเป็นนักมวยต้องพยายามนะอยู่บ้านไหนอยู่อังเกอได้ยังหลัดได้ออพอซื้อไว้ยังไหนแม่ดิหายี่จากปีแล้ว อ, อ๋อเรียนนักศึกจบท่านไห อ, อ๋อมาปฏิบัติธรรมะเป็นน้อยก็ดีเนี่ย<อ>เธอจะเป็นเตมเปี้ยน่ะต้องเร็วอย่างที่หลวมพอนี่นะพอดีเบื้งสายตามันยึดขึ้นมาจิตกเหา ไสลุงตาลบเดียวโชคก้อนโน่นหงตามันดีอันนี้แปลว่าฝึกฝึกวิธีปฏิบัติบ่ได้งากจักน้อยอันนี้บ่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องมีเงินมีทองบ่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทุกข์เรื่องจนบ่ได้เกี่ยวข้องกับเพศนั้นเพศนี้เพศ เ, เ, เจ้าหัวกับปฏิบัติได้เพศลัวกับปฏิบัติได้แม่ข่าวแม่ดําปฏิบัติได้ทั้งนั้นเรื่องนี้มันไม่มีครูไม่มีตํำรับตําราอันนั้น อ, อยู่นี่แหละพอดีมันคิดปุ๊บ มันรู้ทันทีอันรู้ว่านั้นเอิญเอิญว่ากุศลหรือว่าสลาดเพราะว่ากุศลมีแล้วสลาดสลาดควมสลาดกลมคล่องแค่ว่องไวปัญญาเมื่อมันทันกันแล้วมันมีหยาดใช่ไหมหยาดนี่จะคอยพัฒนาขึ้นไปพัฒนากึนไปไหลไปเหมือนดังน้าสายเล็กๆเนน้อยอยู่ตามบ้านเขาเนมันไหลลงมาใส่แม่น้ำอย่างไรอย่างบ้านผมเนี่ยมันต้องไหลไปหล่นน้าของ น้ำของเนี่ยโบรู้จักน้ำโของอืฟ้าตามตัวนั่นคือเป็นน้ำโขงแต่คนจริงบ้านผมเรียกว่าน้ำของอะเพราะมันเสียงโบคือกันเสีเยงโบคือกันน้ำของเนี่ยมันจะไหลไปทะเลเมื่อรวมทะเลแล้วกลับไปไว้แม่น้ำใหญ่อันนี้ก็คือการคนรู้อันนี้จริงๆริงนะรู้อันนี้มันจะค่อย ร, รู้ไปรู้ไปรู้ไปมันจะไปถึงที่สุดเขาเลยเอิ้นคหลุดพน้นอันถึงที่สุดนะเขาจะเอิ้นขมุดพน้น อันญานมันเกิดขึ้นทีละ ท, ท, ทนว่าเนี่ยคอยอยานเนี่มันจะเกิดขึ้นมันจะพ้นไปมดพ้นไปจากยังต์แพ้นไปจากผมตัววาวสั้นๆคำว่าหนมันมากเนี่ยพ้นไปจากการไหว้ทีพ้นไปจากการไหวเทวดาพ้นไปจากการดูลึกงามยามดีพ้นไปมดทุกสิ่งทุกอย่างพ้นไปจากาเงินทองมีสิ่งที่สมมติเนี่พ้นไปมัด พ้นไปจริงๆเรื่องสมมติพ้นไปจริงๆเนี่ยเป็นวายาณอันนี้มันไหลไปให้พ้นไปแต่ๆอันนี้ประโวงหลุกค้ น, นแต่ที่แรกมันต้องพ้นไปเรื่องน้อยๆเสียก่อนยังไงการปฏิบัตินี่มันต้องปฏิบัติจริงๆวิธีการเราให้ฝังแล้วเดินเดินจมกรมเนี่ยเดินไปเดินมาอันเดินจมกรมกับเป็นวายาณอย่าอยากรููอย่าอยากเห็นเฮ็ดซื้อมันคิดแล้วกแล้วไปเอาเดินเข้าไปเข้ามาเนี่ย พราจากกระร้างบุหจา ก, กระตามมันมันหักยึดเป็นเองเหมือนดังเม็ดขา้าวเม็ดข้าวเปลือกข้าเนี่ยขาเจ้ากรสร้างขา้าวเหนียวกระตามเขาอะไรกระตั้มสร้างเนะี่ยเขา้าบ้านผมเรียว่าเขา้าว่าตามผาษาดเป็นว่าขา้าวท่นข้าเม็ดขา้าวอ้วนข้าเต็มนี่เอาไปวางลงดินว่ามันซุ่มมันย็นแล้วแตกนอกขึ้นมาจริงจริงับรองได้แต่ว่าเม็ดขานะ้าวเน่ยจีบแตกพร้อมกันเพราะเม็ดขานะ้าวน่ยมันเม็ดแก่เม็ดอ่อน เม็ดอ้วนดีเม็ดบวกอ้วนดีเม็ดตึ้งดีเม็ดบวตึ้งดีมันเอาไปวางลงดีมันจะบวพร้อมกันอันนี้ก็ตามความเพียนหรือตามสติกําลังของคนผู้ปฏิบัติบวกอกันบัดนี้บางเม็ดแตกขึ้นมาแล้วตรงเตี้ยซื้อขึ้นไปลดกระมีบางเม็ดนั้นแตกออกไปงองงองแงแ ง, งตะกระมีเป็นสันนอเขาออกมาเขาไม่เข้ารีบเทียไปวางไว้ร้อยวันพันพี่กับโบแตกโบงอกออกมาเฉย กับตุ้ยทีพซื้อๆไม่เขารีบตุ้ยบุ๋มเหนบ่๋มมึงมามันไม่มีไหนอาการปฏิบัติก็คือกันคันแบกม่มีไหนแล้วบม่มีผมรู้บ่ออกนอกบ่ออกแท้ๆเพราะว่าปฏิบัติซื้อๆเห็ดไปซื้อๆโบได้เหตุเนี้ยเหตุเป็นบโตนี่เดินไปเดินมาเฮ็ุจังหวะอะไปไปมามแต่จิตใจมันคิดไปร้อยแปดพันประการโบทันผู้โบทันเห็ุมันทั้งเมื่อทันนี่ให้เข้าใจอย่างนั้น ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะเป็นของง่ายสำหรับผู้ที่มีปัญญาเป็นของงากสำหรับคนที่บ่มีปัญญาคนมีปัญญาพูดว่ากันแล้วรู้เรื่องคนบ่มีปัญญานั้นพูดกันเท่าใดกับบุคอยรู้เรื่องดังนั้นพี่กับคนเอากันกับบุรุเรื่องพี่กับพี่มันต้องว่ากับผี่คนกับคนมันต้องว่ากับคนเทวดากับเทวดามันต้องว่ากับเทวดา เดี๋มนุษย์กับมนุษย์มันต้องวอนนำผ่านรู้ตัวย่างพคนสอนมอย่างไรต่อย่างที่พระเดียบุคคลต้องก็ต้องเล่ากับพระเดียบุคคลพระอดียบุคคลไปเว่ากับผีโบลู ก, กันแต่พระอดียบุคคลรู้เพื่อนอย่างเปรียบไปอีกตึมเป็นข้อเป็นข้อไปคนวานมีสองคนนํา่านเป็นเพื่อนที่รักกันไปรักษาศีลทําบุญให้ฐานอนณธรรมกันพร้อมกันยืนสนัดตลอดมา ผู้นึ่บริสุทธิ์ผู้หนึ่งบริบบิสุทธิ์ตายแล้วแยกทางกันเดินโนดผู้หนึ่งนั้ไปเกิดเป็นเทวดาผู้ผู้ดีผู้บริสุทธิ์หน่งผู้บริบผู้บริสุทธิ์นั้นผู้บริบบิสุทธิ์นั้นตายไปได้ไปเป็นนอนอยู่ในห้องซ่วมของพระเป่นซ่วมนอนและซ่วมทายอุจรละหนึ่งบันี้ทร้างหากกันกับว่เห็นกันนะบันี้มันแยกทางกันแลยเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมะ ก, กับใครคือการว่ากันบูรู้เรื่องกับใครใครกัน บัดนี้ผู้เป็นนอนก็ซอกหาผู้เสี่ยวผู้เป็นเทวดานะผู้เป็นเทวดานะก็ซอกหาผู้เป็นนอนนี่ซอกหาแต่บูู๊้จักกันว่าผู้ใดไปใส่บู๊หู้จักกันเมือนกับทะเลมน่ะสมมุตกิกนน้ำทะเลมันก้วงซอกกันบูเห็นเมือนกับเข็มซอกเข็มในทะเลเป็นว่าเอามือไปรูปอล้วกับมันปักมือไปยังหู้จักโอเข็มหบาดนี้ผู้เป็นเทวดามีโอกาสมากมีเวลามากก้มมน้าลงมาเนีเห็นเสี้ยวแต่เป็นนอนอยู่ห้องซ้วมของพระกินอุจระ ก็เลยมาถามเสี่ยวเลยเฮ่อมาให้อยากอยู่นี่โอ้เฮามาอยู่นี่นานแล้วถามโตไปไกมาเสี้ยวเลยโอ้เฮามาแจ๋ปู้เมืองสวรรค์โอ้ามาืงสวรรค์เป็นยังไงเสี่ยว่าเลนถามก็สบายเสี้ยวเลยโอ้โตอยู่นี่เป็นยังไงเสี่ยวเลยยูท่นี่ก็สนุกดีเลยเนี่ยมันสนุกทุกคนเนี่ความสนุกที่โบขึ้นกันความสบายกี่โบขึ้นกันมันสบายคนแบบให้เข้าใจอย่างนั้นนอนมันก็สบายแบบหนึง่ง เทวดาก็สบายแบบหนึง่งมีเราบูรู้เรื่องกันเลยคือตาบว่าคําสั่งนี่นะบูรู้เรื่องกบัด น, นี้เูาเป็นเทวดาอันนี้มืองสนุกสนานเซียวท่าโอ้สนุกสนุกจะไหนมันมีทุกสิ่งทุกอยา่างเสี่ยวท่านบ่ได้นึกได้ฝันมันมีอยู่ตลอดเวลาโอ้ขี้วันนี้เซียวท่านของฟัววันนี้ท่านโอ้ขี้ที่เซียวเนี่ยขี้เซียวท่นเมืองสวรรค์ว่าให้ฟังรุ่นเป็นสนดนเซียวท่นโอ้เมืองสวรรค์นสนุกสบายเซี่ยวท่นมีเครื่องทิพย์ของทิพย์ อันควรเป็นคิดนะว้ยฟังดูเสียวอ่ะสิก็เลยโอ้อยากได้เสื้ออยากได้ผ้าอยากได้บ้านอยากได้เรือนอยากได้แก้วแหวนแสนสิ่งเพชรเดินกินนานึกๆเอาแล้วก็ได้เมดเสียวสมบูต้องทําอ่ะสิโอ้โหเสียวเอ้ยอ่ะสินี่มันตอนนั้นแหละปัทโธยางได้นึกได้ฝันเอาอยู่นั่นนี่นึกๆเอาได้เสียทุกอันนั้นสินี่ที้เป็นนอนวายนึกเอาแล้วได้ปะทโธคูอยู่นี้ไ่ได้นึกอย่างจักน้อยอ่ะสินี่ย วา่าการไปยุ่งมึงสวัสด์มึงกันไปยังเสียวมึงขี้ได้สิหมอโบไปมีสวัสด์มีขี้บอก่าันถามผู้เสียวอามาที่มีขี้อย่างโบบอกว่ได้กินได้เป็นของทิพ ย, ย์ได้เสียวเฉยอันโบมีขี้ให้กูกินกูก็ไปแต่มึงบอกได้แล้วกูกินขี้เฉยน่อหัวกระด็กหลงกองขี้หันหลดเนี่ยความสนุกของหนอนมันต้องกินขี้ความสนุกของเทวดานั้นมันต้องกินอาหารทิพมันเป็นอย่างไร้าอันนี้ก็เสมือนว่าการปฏิบัติธรรมต้องรู้จักจริงๆดังนั้น พีกับคนนั้นเว้ากันบ่ได้เห็นว่าพีที่มันดื้อรั่นไปพอมันตั้งหากแต่ผีเห็นบ่ันู้ได้เห็นพีได้เดี๋ยวนี้เพราะย่าคำเห็นผีจากเธอบ่เห็นพีไม่เห็นแต่เพิ่นว่าพีเห็นบ่เออนี่เนี่ยอ้าวพ่อใหญ่ข่าวนี่เห็นพีจากเธอบ่ไม่เห็นจากเธอเป่นบ่อ้าวแม่ข่าวได้ก็ได้เห็นผีจากเธอว่างมึงรูอ้าวมึไม่ออกมึงยอกควาเห็นพีจากเธอบ่ไม่เห็นไั่ได้เพินว่าพีนี่เนาะ เอาผ้าใยเดร์เราได้เห็นผีจากเธอบอกรับนี่จ้พณว่าผีเป็นวันหนอแน่อันผีนี่รู้จักบอมันมันคือผีคนดื้อคนนั่นเขาว่าคือผีก็นคนเล่าเนาสอนเนาเขาว่าผีันน่นพูดสายเขาว่าอ้นี่คือผีกนไอ้ผีก็สินเขาว่าแต่คือผีไอ้ผีแต่ินเาหมเป็นผีไอ้ผีสว่ามันาอของผีนี่ไอของผีมันเฮงเงาคนผีอีกตึ้นเน้นไยมันเน้นนี่มันนี่นางเนี่ยคือผีนมัน คือเสื้อหากว่าไม่ตัวผีมันตัวคือผีนี่ไมนเป็นบัดพระบัดเนรเป็นอย่างนั้นได้บัดเนรก็คือผีคือได้เป็นบอกเนนว่าเจ้าที่เจ้าคือตัวคนเวายาพูดยาสอนยาโกหกผีอันนั้นให้ว่าผีนี่มันวายาให้เข้าใจอย่างนันการปฏิบัติธรรมะถ้าหากเป็นผีแล้วบื่มีโอกาสเบ่มีเวลาที่จะพบกับธรรมะได้ดังนั้นคนเป็นผีนี่จึงทําควา ม, มเดือดร้อนทํามผลวุ่นวายให้ตัวเองมากที่สุดตัวเองนี่มันเดือดร้อน เมื่อควมเดือดร้อนทานี้แล้วเอาควมเดือดร้อนของเขาเนี่ยไปจับให้มู่มู่คอยเดือดร้อนพวกเขาเขาหอนแล้วมาจับไฟไปให้มู่มู่จับกับ้อนอีกตึมบันนี้เขาโบหอนบันนี้เขายู้ซื้อเื้อบันนี้เขายุ้ยบนเย็นมันจับเอาน้าไปให้หมู่มู่ก็ได้จับน้ําเย็นนำ้ำแข็งเขายุ้ยเย็นเ็นแล้วมู่ก็ยุยเย็นเย็นํากแข็ันเป็นอะไรอันนี้ให้เข้าใจเอาไว้การปฏิบัติธรรมะเบาได้ยากบาได้งกัง ก, กน้อยสบายควมสบายไปยันยอดมันสบายก็คือมันบ่มีทุกข์ อันบ่มีทุกอันบ่มีสุขเพื่อเอื้นสาบายอันสาบายในเพื่นเอื้อว น, นิพานอันนิพานในเพื่นว่าควบมดุจพลไปทุกสิ่งทุกอย่างไทยว่าอย่างก็รู้จักแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาสังคมการแก้ปัญหานันเบอร์กูไปแก้ผ อ, อืน่แออนแก้ตัวเหาก่อนเมื่อแก้ตัวเหาแล้วก็แล้วไปซืเรื่องความโกธรความโลภความลงงนี่โอ้ยอันนี้มันทุกข์ที่สุดแล้วยากที่สุดแล้วเมื่อเกับกรรมือเยียดมือในยากที่สุดคันห้าหกว่า ด้วยเห็นความโกอดความโลภความหลงเขาแล้วก็โอยบ่มีโอกาสบ่มีเวลาบ่มีแท้แค้บ่มีแท้แท่กินูกธรรมะธรรมะนี่เนียออแมันนําบังไว้แล้วเนี่นความโอดความโลภความหลงบังไว้นั้นนี่ยมันก็ล่ายที่สุดแล้วเนี่ว่าสัตว์ก็ได้ว่าคนก็ได้ว่าอย่างก็ได้มึดสัตว์ก็มีอันโอดอันโลภอันหลงคนก็มีอันโอดอันโลภอันหลงแต่มนุษย์แท้ๆน้อยลดลงไปลดเพราะมัน ร, รุดพ e ้นไปแล้วมนุษย์มนุษย์จึงว่าเป็นผ in ู้ที่ สามารถเจ้าชนะได้ถึงแบบมนุษย์สมบัติมันเป็นสมบัติของมนุษย์เน๊ะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสวรรค์นิพพานมันเป็นสมบัติของมนุษย์ไม่คนสมบัติสัตว์สมบัติเพิ่งบวชหรือเล่าเรามนุษย์มนุษย์จึว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงมีความสามารถที่จะปฏิบัติให้รู้แจ้งรู้จริงได้รู้ได้จริงๆรหลุดพ้นได้จริงๆงานเกิดขึ้นจริงๆ ถ้าหากว่าฟังแล้ว่าปฏิบัติแต่นอนโยกับโบลูอันนี้ปฏิบัติอยูกกับตามมันเนี่ยคันบุญมีสติอยู่กับโบลูคขากันไม่เป็นอะ่านเนี่ยดังนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นสิ่งสบายแกผู้มีปัญญาเออผู้มีปัญญาหนักผู้มีปัญญาจะเนี่ยรู้แล้วมันสบายเนี่ยไปใส่มาใส่มันสบายเนี่ยมันบ่เกี่ยวข้องไม่ยางเนี่ยเป็นไง ไถ่วลาตั้งแต่ก็รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จั ก, จกคําพูดของคนอิสระด้วยนั่นก็รู้จิตใจเจ้าของอิสระด้วยนี่ไปนะจิตใจเจ้าของมันคิดจะไหนก็รู้รู้จริงๆเรื่องนี้นี่แหละการรู้บ่แม่แม่รู้อย่างอื่นนั้นรู้ตายแล้วไปเกิดชาตินั้นไปใส่นี้ใสสินสารนั้นเรื่องอันนั้นเอาไวส้สักก่อนอย่ามาวาวเทืองนะมันเป็นอดีตมันเป็นอนาคตาพระพุทธเจคนสอนเรื่องเป็นปัจจุบนันเป็นปัจจุบันธั้นท เป็นทำอันเกิดขึ้นสะพราในที่ดนั้นอย่างแก่มแจ้งไม่งอแ ง, ง, งขอดแข้นเขาพูดนั้นควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้พอกพูนก็หมายถึงพยายามทำกลมรู้ทำวามเข้าใจกับซึ่งนั้นอย่าไปคิดอะไดมากรู่อัะไรก็บวิทประโยชน์อันลู่ที่ไปพูดอันนั้นเป็นอันนั้ น, นมันเป็นการแตกสานมันเป็นการแตกสานของปัญญาคนที่เราให้ฝังเนี่ยมันก็นมากแตัวคนจริงแล้วน้อย น้อยพอจะไหมพร า, พราว่าสอนให้ฟังนี่นี่นี่ซี่ข้อเท่านั้นเพื่อจว่าอริยสัจสีอริยสัจสีอยู่เนี่ยอริยสัจสี่ี่สัจจะสี่ข้อนี่เนี่อยู่อริเป็นราคาสุดหน้าไปเอาพ่นไปพ่นไปทั้งซี่ข้อนี่เนี่ยอีอ้เป็นเอิ้อมขุมดุจคนหากบกเข้าใจกันต้องปฏิบัติเบืบ้งลับหล่องได้ในตำนาท่านสอนเอาไว้ว่าผู้ที่จะเลิญสติปฐานที่ย่างถูกต้อง ย่างนาไม่เกินเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างไวที่สุดนัน้นนับตั้งแต่มือหนึ่งถึงเจดมือหรือสิบห้ามือปฏิบัติให้มันติดต่อกับคือลูกโซ่นี่อันนี้ส่งมีอยู่สองประการตำลาได้นี่คมรู้นักธรรมสันเอกเพราะว่าจบหลักสูตรนั้นนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้นั้นต้องเป็นพระอนาคามีเน่า ถ้าอนาคามีนี่ไปตายจากซาดนี้แล้วไปเคลื่อนยุ่งในรูกป่าเสนีพรมใกล้ๆ ก, กับประตูที่เข้านิพพา น, น, นอันนี้บาวางกันถ้าหากผู้ใดเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมีสติติดตามกําหนดรู้ในเรียบททุกเรียบทอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะ่ะเรียบทเห็นด้วยตากระได้ว่เห็นด้วยตากระได้รับรองอย่างนานไม่เกินสามปีรับรองได้ออันนี้ย่างกลางเอาปีนั่ง สามร้อยหกสิบห้ามื้ <c oughs> อย่างไวที่สุดเอาเก้าสิบมื้อสามเดือนพันษาหนึง่งต้องปฏิบัติจริงๆ <c oughs> ริงเล่นต้องรู้แต่โบหลุดพ้นถึงที่สุคตธรรมตาต้องรู้บ่มากกันหนอยรู้จะหมดสงสัยหมดสงสัยอะไรหมดสงสัยเรื่องพุทธศาสนาสอนเรื่องอันไดจะรู้จริงๆรู้จริงๆโดวยว่าสงสัยโบข้องแวโบเสื้อผ้าสักมด ผมรู้เรื่องนี้มาเมื่ออายุ46ปีผมบวชเสื้อไผ้า้รรมะแม่พระพุทธเจ้าเหาะมานี่เอ่านเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านกบบรบโบเสื้อเรื่องนี้ก็เลยกินมาเวา้าเรื่องพอว้าให้ฟังพวาวให้ฟังศาสนานี่ล่วงไปได้ห้าพันปีแล้วที่เป็นศูนย์นักบวชบวเห็นฟ้าบวเห็นหมอกบวเห็น ม, นมิ่งมุดคนกินกันเลยเดินไปได้ ชนกันตามกันกลมปั้มกันกินพ่อแม่กินกันมัดกินเลือดเจ็ดวันเจ็ดคืนวันเสาร์เป็นศูนย์กลับบารนีถึงขนาดนั้นแล้วภาพพุทธรูปมีในโลกนี้วันเสาร์พอเราให้ฟังกับพี่สายคนหพี่สายเป็นนักบวชบวชแล้วก็ศึกออกมากว่าให้ฟังบารนีจําได้แดดบริจํำได้แด ด, ดตัวผมมันยังน้อยกินห่อไปรวมกันแล้วบารนี้ ที่เป็นพระไม้พระอิฐพระปูนพระแก้วพระเงินพระทองพระอย่างกระตำตาะขึ้นซื้อว่าพระพโพธรโปนี่จะห่อมารวมกันแล้วมารวมกันมัดแล้วก็รูปเป็นวัตถุนั้นจิตแตกปั้งออกไปโลดวะท่านดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้านําไปคล้องอยู่ไปเกาะอยู่กับพระโพธิโรเท่ากับเมตนาเนี่ยวะท่านอันดวงจิตวิญญาณนั่นจิมารวมตัวกันเขาเป็นรูปเจ้าสายสีสถาคุมารเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงทำเจ็ดวันเจ็ดคืนวาท่านพิณ ผู้ใดได้ไดปฟังธรรมะอันพระพุทธเจ้าแสดงเจ็ดวันเจ็ดคืนองค์จีได้ตัดสรูเป็นพระอนาหันกามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระสักกีตาคาเป็นพระโสดาเป็นมนุษย์แล้วแต่สติปัญญาไปอั น, นันตุถูกงอยบุทุกหลายพกะพุทธ ร, รูปเหาะไปบุได้จริงๆรับรองเหาะบุได้จริงๆอันแต่เฮามานี่แหละเนี่ยหลวงพ่อถาวรในยุ่จังหวัดสงขลาเน่ยบ้หลวงพ่อเอี่ิดสงขลาเป็นมาเนี่ยปุม่เหาะมาย่างมาแบบนี้เนี่ยมูย่นเนี่ย กุโตเนี่ยอยู่กรุงเทพเปมนเมนบดเหาะมาเนี่ยขึ้นรถมามน้องุ๊พ่อยู่กรุงเทพบ่นี่เดินให้เหาะย่างมาเมนบดเมื่อพอออกข่าวว่านี่ก็ยู่มันหลายจังหวัดได้มาเนี่กระด็นมันหลายจังหวัดบริลอ ล, ลอกบริรลมัมอุดรขอนแก่ น, ะนตะกนตรเกนก็นมีกันมาเดินให้เหาะมะเนี่ยย่างมาหรือขึ้นรถมาอันมานี่แหละมาวามา้าวธรรมะช่กันฟังนี่แหละอันนี้แหละพระพุทธรูปอันพระพุทธรูปนั้นเหาะโบได้จริงๆอันโตคนมานี่แหละฟังกันแล้วกับเพื่อความเข้าใจ อันนี้แหละพระพุทธูกแท้ๆเนื้อฟังแล้วก็แตกขึ้นมาคือนอกก้าที่ไว้ฟังคือนอกเขานั่นเนี่ยเมื่อฟังแล้วมันจะเข้าใจเรื่องนี้ถ้าหามบอกเข้าใจเรื่องนี้แล้วบอกเข้าใจจริงๆหลักพุทธศาสนาที่นํามาเล่าให้ฟังนี่ก็พอที่จะจําได้เห็นไหมทุกค